กลับสิงบุรีท่านพระครูพาลูกศิษย์เข้าไปในร้านขายทองเมืองโคราชท่านต้องการเลี้ยมพระสมเด็จกับพระนางพญาเพื่อให้หนายวิกโกและพัญญาของเขาไว้เป็นที่ระลึกเป็นร้านขายทองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร้านแต่งกายสวยงามใส่เพชรทองเต็มตัวท่านรู้สึกคลับค ล, คล้ายคลคลาว่า เคยเห็นสีกาผู้นี้ที่ไหนมาก่อนพยายามนึกหากก็นึกไม่ออกข้างฝ่ายสีกาก็จ้องมองท่านและรู้สึกอย่างเดียวกันในที่สุดผู้เป็นสมณะก็เอ่ยขึ้นว่าโยมอาตมาอยากจะเลี่ยมพระสักสององค์จะรอรับไปเลยได้หรือเปล่า ขอดูพระท่านก่อนถ้าขนาดเท่ากับกรอบสำเร็จรูปที่เรามีอยู่ก็รอรับไปได้เลยท่านมาจากไหนหรือจ๊ะสตรีวัยสี่สิบถามอาตมามาจากสิงบุรีโยมล่ะเป็นคนโคราชหรือว่ามาจากจังหวัดอื่นหล่อนไม่ตอบแต่กลับถามว่าบ้านท่านอยู่บ้างม่วงหมู่ใช่ไหม ทำไมโยมถึงรู้ละ่ะถามพลางมองหน้าหล่อนอย่างพินิษฐพิเคราะห์ชื่อเจริญใช่ไหมถามเสียงห้วนคำถามของสิกาทำให้บรรพชิตนึกออกจึงถามกลับไปว่าเอ็งชื่อกิมไล์ใช่ไหมท่านจำได้นางสาวกิมไล์เพื่อนบ้านท่านนั่นเองก่อนท่านบวช หล่อนหนีพ่อแม่ไปเป็นโสเพณีตาเสงกับยายชั้นโกรธลูกสาวมากถึงกับจะเอามีดเชิดคอให้ตายนางสาวกิมไลเองก็โกรธบิดามารดาที่จะฆ่าตนจึงประกาศออกมาว่าจะขอไปตายอดาบหน้าจะไม่กลับมาบางม่วงหมู่อีกแล้วหล่อนก็หายหน้าหายตาไปตั้งแต่บัดนั้น ท่านบวชตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาถึงที่นี่ถามอย่างยินดีไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้พบเพื่อนเก่าแล้วเองละ่ะก็อนไหนเป็นโสเภณีแล้วทำไมถึงมานั่งขายทองอยู่ที่นี่แทนคำตอบหล่อนกวากมือเรียกเท่าแก่ที่นั่งอยู่อีกมุมหนึ่ง เฮีย er, มานี่แน่พระองค์นี้เป็นเพื่อนเก่าฉันท่านมาจากสิงห์บุรีบุรุษร่างอ้วนจึงลุกขึ้นเดินมายกมือไหว้ท่านโยมเป็นสามีอากิมไลหรือคนเป็นพระถามครับเขาตอบพลางสงสัยตามองไปที่พัญญาอย่างรักใครไปเจอกันได้ยังไงละ่ะ รู้หรือเปล่าว่าเขาหนีออกจากบ้านท่านเลี่ยงข้อความที่ว่าเขาเป็นโสเพณีทราบครับคือท่านครับเขาเรียกว่าเป็นบุเพสนิวาตนะครับพัญญาผมเป็นมะเร็งตายผมก็ว้าเหวเลยไปเที่ยวซุกซนจึงได้เจอกิมไลเขาตอนนั้นฉันหากินอยู่ที่พิศนุโลก เฮีย er, เขาไปไหว้พระพุทธชินราชแล้วก็เลยเจอกับฉันเขาพักอยู่ที่โรงแรมฉันก็ไปหากินอยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นตามประษาผู้หญิงโสเภนีหล่อนเล่าอย่างไม่อายก็ไม่รู้จะอายไปทำไมในเมื่อพระองค์นี้เป็นเพื่อนเก่าของหล่อนแล้วก็รู้ํำพืชของหล่อนเป็นอย่างดีส่วนฝรั่งที่มาด้วยคงฟังไม่รู้เรื่องครับ ผมเจอกิมไล้ในโรงแรมที่พักแล้วก็นึกรักในทันทีโดยไม่รังเกียจว่าเขาเป็นผู้หญิงหากินผมบอกกับเขาว่าอย่ามาอยู่อย่างนี้เลยไปอยู่กับเฮียดีกว่าเมียเฮียตายมีลูกกาพร้าแม่อยู่สองคนช่วยไปเลี้ยงลูกหน่อยกิมไล้เขาก็มากับผมตอนนี้เรามีลูกด้วยกันอีกสามคนเรียนเก่งทุกคนทั้งลูกแม่เก่าและแม่ใหม่กิมไลเขาดีมากครับท่าน เป็นแม่ที่ดีและเป็นเมียที่วิเศษที่สุดเท่าแก่ร้านทองพนนาถึงคุณสมบัติของคู่ชีวิตคนที่สองเอ็งโชคดีมากนะกิมไลเป็นโสเพนีแท้ๆยังกลายเพศเป็นเศรษฐีได้พูดยิ้มยิ้มใช่สิถ้าฉันไม่หนีออกมาจากบ้านจะได้เป็นเศรษฐีหรือ แล้วก็ยังแค้นเตี่ยกับแม่ไม่หายลูกในไส้แท้จะค่าจะแกงได้ลงคอคอยดูนะฉันจะไม่กลับไปเหยียบบางม่วงหมู่อีกเลยพันดินไม่กรลบหน้าฉันจะไม่มีวันกลับหลนพูดอย่างเครียดแค้นอย่าไปผูกโกรธเขาเลยกิมไล้เอ้ยยังไงยังไงเขาก็เป็นพ่อแม่เอง ไม่มีเขาเองจะได้มานั่งหน้าแป้นแรนอยู่อย่างนี้หรือท่านพระครูสอนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงในการก่อนก็คงจะจริงอย่างท่านว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะวานท่านช่วยเอาเงินไปให้เขาหน่อยแต่อย่าบอกว่าเป็นเงินฉันท่านตรงสัญญาว่าจะปิดเป็นความลับเองจะให้ข้าโกหกหรือข้าทําไม่ได้หรอกข้าเป็นพระ จำเป็นต้องมีสมณสัญญาถึงจะเป็นพระแท้ท่านไม่ต้องโกหกก็ได้เพียงแต่ไม่บอกถ้าเขาถามว่าเงินใครท่านก็บอกไว้ว่าเจ้าของเขาไม่ให้บอกแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแบบนี้ไม่บาปใช่ไหมคงไม่บาปมัง้งหรือวิกโกว่ายังไงท่านถามลูกศิษย์ที่มาด้วยครับผมก็ว่าไม่น่าจะบาป หนุ่มต่างแดนตอบอ้าวพูดไทยได้ด้วยหรือนางกิมไล้ถึงกับอ้าปากค้างรู้สึกอับอายฝรั่งตาน้ำข้าวผู้นี้ที่ล่วงรู้ความลับของหล่อนผมเคยเรียนภาษาไทยที่นี่ครับภาษาไทยเป็นภาษาที่เรียนยากที่สุดในโลกขนาดยากก็ยังพูดคล่องออกอย่างนี้คุณเก่งจริงๆมาจากประเทศอะไรครับ สามีของนางกิมไล่ถามเป็นครั้งแรกที่เขาสามารถพูดกับฝรั่งรู้เรื่องโดยไม่ต้องเมื่อยมือผมมาจากประเทศนอร์เวย์ครับแต่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กพอจบจากเมืองไทยแล้วก็ไปสอนภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กหนุ่มชาวต่างชาติตอบผมไม่รู้จักประเทศที่คุณพูดถึงไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน เคยได้ยินแต่ประเทศอังกฤษกับประเทศอเมริกาอ๋อประเทศฝรั่งเศสอีกประเทศหนึ่งบุรุษวุวัยห้าิบตอบนี่เองจะให้ข้ายืนคุยอยู่อย่างนี้นะหรือเมื่อยขาแล้วนะจะไม่นิมนต์ให้นั่งเลยหรือไงท่านพระครูตอบว่าต่อขานสีกาวัยสี่สอุ๊ยตายฉันก็ลืมไป มัวดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่านี่ถ้าท่านไม่ได้เป็นพระคงคุยกันมากกว่านี้นางกิมไลว่าเอ็งจะคุยให้มันยังไงก็ได้ข้าไม่ถือแต่ต้องนิมนต์ให้ข้านั่งก่อนงั้นก็ฉันข้างในดีกว่าเฮียวันนี้เราปิดร้านสักวันฉันจะได้คุยกับท่านให้เต็มที่นี่ก็ใกล้เพลนแล้วนิมนต์ฉันเพลนที่นี่เสเลยเฮีย ลื้อไปช่วยสั่งอาหารพัตตาคารมาถวายท่านหน่อยถือโอกาสทําบุญฉลองที่เราเป็นผัวเมียกันมาครบปีที่ยี่สิพอดิบพอดีคนเป็นเมียสั่งการชดๆดจะจะเฮียจะทําตามที่ลื้อสั่งทุกอย่างนิมนต์ข้างในครับท่านผมขออนุญาตปิดร้านก่อนคนรักเมียว่า แล้วเรื่องเลี่ยมพระของอาตมาละ่ะท่านห่วงทุระประเดี๋ยวผมจะจัดการให้ท่านวางใจได้ครับอยู่กันสองคนตายายหรือแล้วลูกลูกไปไหนหมดภิกษุอาคันตุ ก, กะถามเมื่อเข้ามานั่งเรียบร้อยแล้วไปเรียนที่กรุงเทพจ้ะเฮียเขามีลูกชายสองคนเกิดจากเมียเก่า พอฉันคลอดลูกเป็นผู้หญิงเขาดีใจใหญ่แต่อีกสองคนก็เป็นผู้ชายอีกลูก5้าคนเลยเป็นผู้หญิงคนเดียวนางกิมไลตอบแบบนี้เรียกว่าลูกคนกลางเป็นผู้หญิงคนหูปีเป็นผู้ชายคนเหนือนมกับคนสุดท้องเป็นผู้ชายใช่ไแม่ครับหลวงพ่อหนุ่มต่างแดนถามเพื่อทดสอบความเข้าใจในสำนวนไทยของตนโอ้โหทาไมฝรั่งคนนี้เก่งจังเลยล่ะท่าน เข้าใจสำนวนชาวบ้านอีกด้วยนางกิมไล่ออกปากชมก็ข้าสอนมาดีได้อาจารย์ดีไส่หยางท่านพระครูถือโอกาสคุยนายวิโก้รีบสนองว่าครับผมโชคดีที่มาพบครูบาอาจารย์ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะคราวนี้คนเคยมีอาชีพที่สังคมรังเกยียจกลับไม่เข้าใจที่ฝรั่งพูด ถึงกับโอดครวนว่าท่านฝรั่งคนนี้เก่งกว่าคนไทยอย่างฉันเสเอกีกเขาสามารถพูดภาษาไทยแบบยากๆกให้คนจบปสี่อย่างฉันฟังไม่รู้เรื่องชาชาณณนะนะอะไรก็ไม่รู้อย่าไปเรียกเขาว่าฝรั่งเขาชื่อวิกโก้แล้วเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าคนไทยอย่างเองเท่านั้นหรอกแท้ที่จริงแล้ว เขาเก่งกว่าคนไทยอีกหลายล้านคนเชียวละ่ะเอ็งเชื่อไหมเขาเป็นคนต่างชาติที่มาได้ของดีในเมืองไทยไปขณะที่คนไทยยังไม่รู้ว่าประเทศตัวมีของดีอะไรของดีอะไรหรือจ๊ะนางกิมไล้ถามนั่นไงข้านึกแล้ว ว่เองจะต้องถามแบบนี้พวกผู้หญิงก็เหมือนกันหมดเวลาข้าพูดเรื่องนี้ทีไรจะถามเป็นเสียงเดียวกันว่าของดีอะไรหรือเจ้าคะส่วนพวกผู้ชายก็ถามของดีอะไรหรือครับนี่แหละยี่ห้อคนไทยมีของดียังไม่รู้ว่าคืออะไรนางกิมไลกําลังจะต่อว่า ที่ท่านตำหนิแต่พวกผู้หญิงครั้นเห็นท่านตำหนิพวกผู้ชายด้วยเลยไม่ต่อว่าพอดีกับเท่าแก่เข้ามารายงานเฮียจัดการสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วประเดียวเขาจะมาส่งคนเป็นเมียจึงถามเฮียเมืองไทยเรามีของดีอะไรหรือพระเจริญบอกว่าฝรั่งเอ้ยคุณวิกโก้มาได้ของดีในเมืองไทยของดีอะไรหรือครับ บุรุษวัยห้าสิบถามนั่นไงผัวเองก็เป็นอย่างที่ข้าพูดเหมือนกันข้าพูดผิดเสะเมื่อไหร่ท่านพระครูได้ทีขี่แพะไล่แม้ได้ทีขี่แพะไล่เลยนะท่านนี่ถ้าไม่เกรงใจผ้าเหลืองฉันจะทุบเขาให้แล้วพูดพลางเงื้อง่ามือไม้อย่าอย่าเองทําอย่างนั้นไม่ได้นะ ประเดียวข้าต้องอาบัตท่านพระครูรีบห้ามพลันก็นึกถึงทุระขึ้นได้จึงเอามือล้งลงไปในย่ามหยิบพระผงออกมาสององค์เป็นพระสมเด็จกับพระนางพญาแล้วส่งให้เจ้าของร้านช่วยเลี่ยมพระสององค์นี้ให้อัตมาด้วยสามีนางกิมไลรับมาดูแล้วถึงกับตาลุกท่านครับนี่ของแท้ทั้งสององค์เลย หาไม่ได้อีกแล้วนี่โชคดีนะครับที่ท่านมาเลี่ยมที่ร้านผมถ้าเป็นร้านที่ไม่รู้จักกันเขาเปลี่ยนของท่านแน่สมมติว่าอาตมาไม่ได้เป็นเพื่อนกับกิมไลยมจะเปลี่ยนของอาตมาไหมท่านทดสอบคุณสมบัติทางใจของเพื่อนเคยเปลี่ยนแน่นอนครับผมมีของเทียมเป็นกุรุตเลยร้านทองทุกร้านจะถือกติร่วมกันว่า ไม่โกงไม่รวยร้านทองที่ไม่โกงท่านไม่ต้องไปหารับรองว่าไม่มีอยู่ในประเทศไทยหรือในโลกนี่เป็นความลับของพวกเรานะครับผมเห็นว่าท่านเป็นเพื่อนของกิมไลเขาถึงได้บอกความลับให้ขอบใจที่ไว้วางใจอาตมาแต่ในฐานะที่เป็นบรรพชิตอาตมาขอบิณฑบาตได้ไหม เลิกถือคติไม่โกงไม่รวยเถอนะเท่าที่ดูโยมก็ร่ำรวยมากแล้วขอให้ทํามาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเถอะท่านพระครูขอรอร้องเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการบอกทางสวรรค์ให้กับญาติโยมท่านครับผมขอเถอะ อย่าให้ผมเลิกล้มประเพณีที่ปฏิบัติตามๆกันมาตั้งแต่ครั้งบันพาบุรุษเลยผมทำไม่ได้จริงๆครับเอาเป็นว่าผมจะโกงให้น้อยที่สุดก็แล้วกันผมไม่ได้ทำผิดนะครับเพราะมันเป็นความพอใจของผู้ซื้อเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแบบนี้ยังดีกว่าพวกข้าราชการที่ขอรับชั้นช่อราชบังศาดช่อราชบังหลวงเอาเงินไปปลนเปรบเมียน้อยพวกข้าราชการไทยส่วนใหญ่ มักเป็นอย่างนี้ส่วนผมแค่กงนิดๆหน่อยๆแล้วผมก็นําเงินไปทําบุญเวลาเขามาเรียอะไรสร้างโบสถ์สร้างศาลาผมทําครั้งละมากๆแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ลูกค้าเพราะผมถือว่าเป็นเงินของพวกเขาคนบางคนไม่เคยทําบุญเลยมีเงินก็มาซื้อทองเก็บสะสมไว้เท่ากับผมทําให้เขามีโอกาสได้ทําบุญเท่าแก่แจงเหตุผลเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้น เอาเถอะถ้าโยมคิดอย่างนั้นอาตมาก็ต้องวางอุเบกขาเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนที่ต้องทํากรรมทั้งดําทั้งขาวเป็นยังไงจ๊ะกรรมทั้งดําทั้งขาวนางกิมไล้าถามก็กรรมทั้งดีทั้งชั่วน่ะการโกงเขาเป็นกรรมดํา การทำบุญเป็นกรรมขาวก็ยังดีกว่าทำกรรมดำอย่างเดียวเอาละกงกรรมอะไรฉันไม่เข้าใจหรอกว่าแต่ว่าท่านได้พระนี่มาจากไหนของแท้หายากมากนะหลวงปู่นาควัดระคังให้ข้ามาท่านเคยรับใช้สมเด็จโตตอนนั้นท่านเป็นเด็ก ส่วนสมเด็จก็อายุมากแล้วท่านเล่าเรื่องสมเด็จโตให้ข้าฟังจนข้ารู้สึกคุ้นเคยกับสมเด็จ ท, ทั้งทั้งที่เกิดไม่ทันท่านลุงปู่นาคบอกสมเด็จท่านสอนวิธีดูพระถ้าเป็นพระสมเด็จจะต้องบางพระนางพญาต้องหนาหมายความว่า ผู้ชายต้องบางคือบางด้วยกิเลสถ้าหัวหน้าครอบครัวหนาด้วยกิเลสก็จะเกิดปัญหาครอบครัวตามมาแล้วก็กลายเป็นปัญหาสังคมต่อไปส่วนผู้หญิงต้องหนาคือหนาด้วยคุณงามความดีอดได้ทนได้เพื่อให้ลูกและสามี มีความสุขนี่เองไม่มีค้าทาสบริวารหรอกหรือท่านถามเพื่อนเก่าเมื่อเห็นว่าไม่มีคนรับใช้มาช่วยจัดโต๊ะอาหารนายวิกโก้ลุกขึ้นไปช่วยหล่อนส่วนเท่าแก่ลุกออกไปจัดการเลี่ยมพระให้ท่านไม่มีจ่ะฉันไม่อยากให้คนอื่นมาปะปนกลัวจะมาทํามือสั้นมือยาวงานบ้านฉันทําเองได้ไม่ลําบากอะไร เสื้อผ้าก็ส่งร้านสักรีตนางกิมไล้ตอบไม่ใช่เองหึงเท่าแก่เขาหรอกนะกลัวเขาจะไปทำกะลิมกะเหลียกับลูกจ้างเฮียเขาไม่มีนิสัยอย่างนั้นหรอกลองทำอย่างนั้นฉันเอาตายเลยเกลียดนักพวกผู้ชายที่ชอบยุ่งกับคนใช้ทำให้เสียการปกครองผู้ชายบางคนนะนะแค่คาดูไม่มีหางก็ใช้ได้แล้ว ฉลทุเรศไอ้ขนพวกนี้นะักตายไปมันคงปีนต้นงิ้วเอแล้วฉันละ่ะตายไปต้องปีนต้นงิ้วไหมเพราะฉันเคยเป็นโสเพณีเอาไว้ตายแล้วเองก็จะรู้มาถามข้าข้าจะไปรู้อะไรเพราะข้าไม่เคยเป็นโสเพณีบรรพชิตตอบ ท่านเน่ยย้ำมากนักเลยไอ้คาว่าโสภีน่ะมันกระเทือนใจฉันหล่อนแซงพูดไปอย่างนั้นเองกระเทือนใจหรืองั้นข้าก็ขอโทษจะไม่พูดคำนี้อีกข้าจะเรียกหญิงงามเมืองก็แล้วกันเพราะโสเพณนีแปลว่าหญิงงามเมืองดีค้าชอบคำนี้มากกว่าเพราะมันมีคำว่างาม ถ้าชอบอะไรที่มันสวยๆงามๆตกลงท่านใช้หญิงงามเมืองแทนโสภณีนะก็ได้เองไม่รู้อะไรสมัยพุทธกาลนั้นการเป็นหญิงงามเมืองถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติและใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆต้องสวยที่สุดในเมืองถึงจะได้รับการคัดเลือกแล้วคนที่คัดเลือก ก็ต้องเป็นพระราชาเมืองไหนไม่มีหญิงงามเมืองพระราชายังต้องไปขอมาจากเมืองอื่นแล้วค่าตัวก็ไม่ใช่ถูกๆผู้ชายที่จะหลับนอนกับผู้หญิงงามเมืองต้องจ่ายครั้งละพันกะหาป น, นะเทียบกับเงินไทยกี่บาทละท่านหนึ่งกะหาป น, นะเท่ากับหนึ่งตำลึง เองคำนวณดูสิก็สี่พันบาทโอ้โหทำไมมันแพงขนาดนั้นราคาที่ว่านี่เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีนะถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คงเป็นแสนเองเห็นหรือยังว่ามีเกียรติแค่ไหนนี่ข้าพูดถึงเกียรติในทางโลกเท่านั้นนะ ส่วนเกียรติในทางธรรมนั้นหญิงเงาเมืองก็สามารถบรรลุธรรมเป็นอริยะบุคคลได้ตัวอย่างเช่นนางสิริมาแห่งนครราชครืบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันส่วนนางอัมภะปาลีแห่งนครเวสาลีเป็นถึงพระอรหรันต เป็นอีตัวนี่นะบนรรลุพระอรหันต์ได้นางกิมไลรู้สึกแปลกใจระคนดีใจดีใจที่ได้ฟังเรื่องดีๆมีมงคลจากพระเพื่อนเก่ากดชัยนะสิเพราะฉะ น, นั้นเองไม่ต้องน้อยอกน้อยใจที่มีอาชีพเป็นหญิงงามเมืองฉันไม่น้อยใจหรอกตรงข้ามฉันกลับดีใจถ้าไม่มาขายตัว ฉันจะได้เป็นเศรษฐีนีหรืออย่างเก่งก็ได้แต่งงานกับไอหนุ่มระแวกนั้นแล้วก็ทำนาหน้าดำไปตามระเบียบเอาละนิมนท่านฉันเพนเฮียมาถวายเพนท่านก่อนหล่อนเรียกสามีเป็นอันว่านายวิโก้ต้องทำหน้าที่นำกล่าวถวายสังฆทานเพราะคนไทยอย่างนางกิมไลและสามีกล่าวไม่เป็นเช่นเดียวกับคนไทยอีกหลายล้านคน นางกิมไลฝากเงินไปให้บิดามารดาสองมืนและไม่คิดค่าเลี่ยมพระจากท่านพระครูนอกจากนี้ยังเหมารถให้มาส่งท่านกับลูกศิษย์ถึงวัดป่ามะม่วงด้วยหวังจะเป็นพระโสดาบันต่อไปในอนาคต